คนก hmm. ็อาจจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสดีชานี้บางคนบางท่านก็จะง่วงเหงาเมือนหัวง okay. okay. okay. yeah. okay. nice. yeah. yes. ่วงๆนอนยังไม่อิ่มแล้วก็ดูเอาเมื่อกี้เราเจอได้ประสูตรมงคลประสูตรนั่นน้องเอามาใส่ตัว มงคลมังกร ะ, ะนะใจกายใจวาจาใจจิตใจตามหน้าที่ตรงไหนก็ตามเป็นความดีความงามความสุขถ้าอัปมงคลก็ตรงกันข้ามมงคลสูตรนะอันนี้สำคัญองสมเด็จสมมาวจ้าก็ไปที่ที่หนึ่ง มันมีครูบาอาจารย์มากมายหมู่บ้านกลัลมชนคนกระถามพระทองว่าสงสัยเหลือเกินคนนั่นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้อาจารย์นั้นสอนอย่างนั้นอาจารย์นี้สอนอย่างนี้แล้วตกลงย่เชื่อใครกันดีอย่างเช่นว่าวิธีปฏิบัติมากมายเหลือเกินในโลกใบนี้บางทีก็ดูลมหายใจบางทีก็เดินจงกรม วิธกาท้องพองยุบมากมายสีสันของพระพุทธศาสนาทั่วโลกภาพต่างๆเมื่อเราประสบพบเจอเห็นแล้วจะเชื่อใครดีเช่นทางวัจจยานในการฝึกสวดมนต์แล้วก็เขียนภาพต่างาเอาจิตใจ เกิดปโนภาพขึ้นมามีสมาธนะิการนิมิตนิมิตก็หมายถึงความคิดบวกกับสมาธินั่นแหละนะแต่แล้วก็หยิบกุญแจสีมาตั้งใจเขียน ล, ลงไปภาพตังางานะอะไรเป็นความสุขอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเดียอะไรเป็นชั่วนะอะไรเป็นมานอะไรเป็นพระต่างๆ วิชามารวิชาพระใส่ลงไปในภาพสีสันสวยงามแล้วแต่จะตีความกันไปในการดูภาพต่างๆอันนี้ก็เป็นวิชาในพุทธศาสนาเหมือนกันอยู่ทางจีนนะถือดาบมาฟันกันเศ้าหลินหลวงจีนอาธรรมมากมายเหลือเกินบรร ท, า, ทายก็จับอาวุธขึ้นมาอมิตาพุธ ไปสู่แดนสุขภาวดีแล้วจะเชื่อใครนะก็เราสวดกันเราจะเชื่อใครล่ะก็ดูธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลในตัวเรานั่นแหละอะไรที่เป็นความฉลาดความไม่ฉลาดนะทำให้เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นรนะว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์เต้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องมีปัญญามีสตินะมีสมาธิ มันจะทํำยังไงกันนีงไงเราเคลื่อนเมื่อสิบสีจังหวัดเดินจงกลมหรืว่าจะทําวิธีการไหนก็ทําเถอะถ้าทุกมันลดก็ทําไปแต่มาที่นี่เราก็รับรู้รับทราบแล้วก็ฝึกขาดวิธีการนี้ไปก่อนถ้ามันไม่ดีจริงๆก็เหมือนคนไขนะ้เจอหมอเจอโรงพยาบาลเจอวิธีการรักษาไม่ดีก็เปลี่ยนมันเลยโรงพยาบาลบางโรครักษาก็หาย ไม่รักษาก็หายบางโรคลักษาก็หายไม่รักษาก็ตายบางโรคไม่รักษาตายรักษาก็ตายตายทั้งขึ้นทั้งลงก็ต้องรู้ในตัวของตัวเองสมควรจะไปตรงไหนทำไมต้องปฏิบัติอีกล่ะทีนี้ต้องยกมือติดสี่ใช่า่ต้องเดินจงกรมต้องมานั่งดูลมหายใจ ฟังตัวอย่างนี้มีหมออยู่คนหนึ่งก็ถือว่าฉลาดทีเดียวหมอคนนี้จบมอจอสาวสวยพูดเก่งตะกกลก็มั่งคั่งด้วยหลังจากเรียนจบมาก็ไปทำงานก็ธรรมดาก็มีแฟนแฟนก็เป็นหมอด้วยกันก็คบกันนะเนี่แฟนเธอร้อนมาก เพราะว่าหญิงประยองลำพองตรนงนะฉันเก่งนะกูเก่งนะไม่โกมหัวให้ใครอย่างเงี้เสร็แล้วตังค์ไม่ค่อยพอใช้จบใหม่ก็ยืมเงินของพี่แฟนนะแฟนสาวที่เป็นหมอด้วยกันยืมไปยืมมาธรรมดานะเป็นลูกนี่เขาก็ต้องพูดดีกับเขาหน่อย ผู้ชายคนนี้ก็พูดดีกับผู้หญิงอยู่เรื่อยๆนะบ่อยๆโทรศัพท์ก็คุยกันดีๆนะเจอหน้ากันก็คุยกันดีๆตอนหลังก็เลยแต่งงานกันนะแต่งงานกันเสร็จปั๊บนะงานเลี้ยงหลังจากที่เก็บเงินเก็บทองหอบเงินหอบทองใส่รถนะแฟนสาวก็ถามแฟนผู้ชายว่า เธอเมื่อไหร่จะเอาเงินใช้คืนพี่ชายฉันเล่า น, นั้นเองหมอผูชายก็เหยียบเบรกจาก้าจุดรถทันทีว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเธอเมื่อไหร่จะใช้เงินแฟนพี่ชายชั้นสทัทีก็ทวงอท่านั้นเอง ขำหมัดชกเปลี่ยงในที่เบ้าตาทั้ทงๆนี้เป็นใส่ชุดเจ้าสาวอยู่ตาดำกล้ำเป็นขนมครกเลยเบ้าขนมครกเหตุการณ์นี่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาแล้วเสียใจมากเลยเกนไม่เข้าใครไม่ออกถ้าทำซะก่อนแต่งก็จะไม่ได้แต่งกันแล้ว แต่นี่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เหมือนหลงนรกทันทีนตั้งแต่วันนั้นเนี่ยทุกข์มากเห็นนิสัยใจคอเนี่ยเรากําลังอยู่กับใครเนี่ยมันปูร้ายชัดๆเลยนะจะตายพวะเขาเนี่ยแหละท่าทางอแล้าลมรุนแรงมากเลยบางทีขับรถไปเจอตำรวจนะรู้ไหมว่าอัวเป็นใครรู้ไหมทะเลาะไปทั่วเลยกับคนนผู้หญิงก็เลยนะ หวานอมขมเกินอยู่ไปมีโรคมีเต้านะเครียดมากจะนโรคประสาทนั่นะกินยานโรคประสาทนะหมอคนเนี้แม่ก็ห่วงมากเลยแม่ก็ลำรวยมัง่งนคะั่งห่วงบางทีก็มาคุยกับพระว่าจะทำยังไงจะมาทำยังไงนะท้ายสุดก็ได้มีโอกาสพาไปปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลพาลูกสาว็นน้ไปปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบนี้ลนะ เดี๋ยวนี้เป็นจักสุแพทย์นะคนนี้แล้วก็ลาออกละลาออกจากการเป็นจักสุแพทย์นะเพราะว่าเธอเก็บเงินได้ประมาณห้าสิบล้านละหมอคนนี้ก็ลาออกไปแล้วแล้วก็ดูแลแ ล, ลูกนะเป็นแม่บ้านปฏิบัติทำเช็ดบ้านถูเรือนทํางานทําการอ่ะดูอีกคนหนึ่งทําไมต้องปฏิบัติธรรมคนนี้จบใหม่เหมือนกัน อยู่ทางชายแดนขเขมรจังหวัดชายแดนขเขมรแพทย์ชนบทมีพยาบาลมีบุคลากรต่างๆทำงานร่วมกันปรากฏว่าทุกพอผู้บังคับบชาทุกเพเพื่อนร่วมงานอยู่มาวันนึงกระโดดตึงต้งๆตึงต้งๆขึ้นมาตอนทำวัดเย็ยนเอ้ยคนวัยรุ่นขนาดนี้ปฏิบัติธรรมเหลือเชื่อจริงๆ ปลงขึ้นให้ยกมือสร้างจังหวะยกมือไม่ได้ร้องหม่ม m ร้องไห้นน้ําตาไหลกระหนายกมือสิบสี่จังหวะก็เลยถามเป็นอะไรนอย่ามองว่าพระแปลกแยกนะเป็นคนอื่นให้ดูว่าเออมาที่นี่เป็นพระแล้วก็อาจจะมีทางออกของชีวิตได้นะอาจจะชี้ทางสว่างให้แล้วก็ เราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าไม่ต้องทุกข์กับปัญหาต่างๆที่ผ่านมาในอดีตมีความทุกอะไรให้บอกกันบ้างถ้<ม>าก็ล่าให้ฟังว่าที่มาวัดเนี่ยก็คือตอนนี้ค่าตัวตายเป็นครั้งที่สามแล้วในโรงพยาบาล<ม>เพื่อนก็พาไปล้างท้อง<ม>อ้าวมีอะไรมันเป็นอะไรเหรอ ขนาดไหนถึงต้องฆ่าตัวตายทั้งสามกลางแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาไปทํางานแล้วมีปัญหาเขาพูดมาขับมันชามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับญาติคนไข้นทุกคนเอาแต่ใจตัวเองหมดเลยอะไม่เคยคิดเลยว่าทำไมทํางานแล้วคนมันเอาแต่ใจตัวเองขนาดนั้นอีกปัญหาหนึ่งก็คืองานที่ทํามันเป็นงานที่ไม่ชอบเลยหน้าที่ที่รับมอบหมายเนะย กันจะบอกว่าตัวเองไม่รู้นะก็ไม่ได้โดยบุคลิกลักษณะนะแล้วก็วิชาการที่จบมาเนหะมือนต้องรู้นะแต่พอไปทำงานแล้วเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองนะก็เลยเอาปัญหานะนะไปปรึกษากับเพื่อ น, น, นเพื่อนก็ช่วยได้อยู่แต่ว่าปัญหาไม่ได้มีแค่นี้น กลับไปบ้านบางทีทำงานคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ไปกลับไปบ้านปั๊บก็ทูกใจพ่อก็กินเหล้าเล่นการพนันแล้วก็เลี้ยงสัตว์ค่าสัตว์เอาไปขายไม่อยากให้พ่อนะทําบาปแมนะ่ก็ติดการพนันแล้วเสร็จแล้วก็เป็นหนี้เป็นศินต้องแบ่งเงินเดือนนะแบ่งให้แม่ทุกเดือนเลย มีน้องน้องก็เรียนไม่จบไปเอาแฟนเข้าบ้านแล้วก็มีลูกนะยังไม่มีปัญญาหาเงินและน้องแบ่งเงินนะให้อีกค่านมดูแลน้องๆน้องสะพเาิ้กันที่สุดก็คืออาปัญหาต่างๆที่มนะีที่มันลุมแล้วไปเล่าให้เพื่อนฟังจนกระทั่ง เกิดความไม่วางใจใกล้ชิดกันท้ายสุดก็เลยแต่งงานโดยการกู้เงินสากรมาแต่งงานก้อนหนึ่งนับแสนบาทะแต่งงานงันนผู้หญิงกู้อามาแต่งให้ทีนี้หลังจากที่อยู่กับผู้ชายคนนีเวลาควงไปงานด้วยผู้ชายก็จะ นั่งแต่ทำไมเพื hmm. ่อนไม่เห hmm. ็นแปลกมากเลยเพื่อนมักจะถามว่ามากับคนขับรถหรือเพื่อนคนนี้คือคนขับรถอีกอย่างก็คือเวลายืนเพื่อนก็ไม่เห็นอีกเพราะว่าผู้หญิงคนนี้สูงร้อยแปดสิบแต่ผู้ชายคนนี้สูงร้อยหสิบเศษ แตกต่างกันมากเลยส่วนสูงอนะแตกต่างทางด้านวุฒธธิภาวะนะคุณวุฒินะวัยวุฒิอันนี้ส่วนสูงก็ต่างกันเองสกุลรชาตินะเมื่อผู้หญิงสูงเวลาคนถ้าก็ต้องเงยมองแล้วถามสามีเธอไว้ได้มาด้วยเหรอพอนมักจะแซวเวลาไปงานเลี้ยงนะสามีเตี้ย น, นิดเดียวแถมขาเป๋ดังหัน gne นะกลุ้มใจมากอยากจะ เลิกกับสามีไอ้ตัวเนี้ยทุกข์มากเลยตัวเองเลือกผิดตัวเองเลือกผิดนะคิดอยู่นะตอกย้าตัวเองถ้าที่ฟังฟังปัญหาดูมันก็น่าจะกินยาตายแต่ปัญหาแรกแล้วแหละต แ, แต่ปัญหาทํางานแล้วแหละเนียวโหมากมายแล้วกินฟังฟังดูแล้ไทยเสือกินยาตายในโรงพยาบาลเนนะี่ยในหอพัก <c oughs> เพื่อนกลัไปล้างทอง แต่ด้วยความที่คั้งที่สามฆ่าตัวตายก็เห็นว่าวัดป่าสุโตรแต่สามีของเธอเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่โดยการบวชเราเคยลาว่าที่นี้มีการฝึกสติเจริญสติเธอก็ลองมาดูเคลื่อนไหวสิบสี่อย่างวาอยู่หลายครั้งตอนหลังก็เห็นว่าเออสุขภาพจิตดีขึ้นพอหลังจากที่เคลื่อนมือสิบสี่อย่างวายนะ มันออกมาจากความคิดออกมาจากปัญหาออกมาจากความทุกข์ที่มเคยตอกย้ําหมกมุ่ น, นวกบนยิ่งคิดยิ่งดิน้นยิ่งรัดมันออกมาก่อนไม่ต้องหาเรื่องมาคิดแก้ปัญหาปัญหานี่บางทีไม่ต้องไปแก้ปัญหาหรอกปัญหามีนะกลับมารู้สึกตัวก่อนทําใจให้ปกติก่อนยังไม่ต้องไปแก้มหรอกเดี๋ยวถ้ามีสติดีดดนะมันจะเกิดปัญญาปิ๊งขึ้นมาก็กลับไปแก้ไขปัญหาสิ บางทีพอมีสติจินเป็นปกติไม่ได้ทุกข์นะปัญหามีแต่ไม่ทุกข์ตรงนี้ทําให้เป็นในโลกนี้ไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีปัญหานะยิ่งแกนะ้มันก็ยิ่งปัญหาลึกลงไปลึกลงไปคิดดีขนาดไหนปัญหามันก็เกิดอุปสรรคก็มีเนะพราะโลกนี้มันมีนะนินทามีสนรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ น, ะนีไม่พ้นสะกคนหรอกนินทาเนี่ยไม่ต้องห่วง ไม่มีใครหรอกไม่มีขัวลิไม่มีศัตรูกลัวขออาดพยาบาทจองเวรจองกรรมไม่มีสักคนหรอกคนที่คอยจองล้างจองผ่านมีทุกคน <Evet. S 1> เราจะทําใจยังไงเมื่อมีคนเหล่านี้อยู่ใกล้ๆเราเราก็ดูสิ <ช ection? S 1> ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรเดี๋ยวก็แพ้ภัยไปเองเดี๋ยวแพ้ภัยไปเองเฉยๆก็ทําเองก็ทุกเองอยู่แล้วก็ทุกให้เราดูเราจะไปทุกับเขาด้วยทำไมใช่ไหม เขโกรธเราด่าแล้วปากกขาหูเข้าอยู่ใกล้ตัวเขานิดเดียวเท้าก็ด่าตัวเองนั่นแหละหูเรากปากเขามันห่างมันจะตายไปถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแคร์เลยนใครนินทาเราดูเดี๋ยวก็แพ้ภัยตัวเองหน้าดำลงดำลงอย่างนีน้ในขนณะที่เขานินทาเขก็ทุกอยู่แล้วเห็นก็ทุกเห็นก็หลงเราก็ไม่เอาอย่างนั้นหรอกคนละคนกันเรารู้จักรักษาจิตใจของเราอย่างนี้น อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นต้นไม่มีใครไม่โดนแน่นอนนินทาไม่ต้งพระุธองค์ก็มีนะนะพระเทวทัตนะนินทาว่าร้ายอย่างนั้นนะ่ะนางมันจวิกานะด่าไอ้แก่ไอแ้ไอแพะสารพัดนะทำทีเป็นท้องนะท้องแล้วก็อ้างว่าเนี่ยทำให้ท้องพระุธองค์เนี่ยทำให้ท้องนะทายสุกแพ้ไผ่ตัวเองไปหมดเลยนะ นีศ่ศึกษาพุทธศาสนานดีอย่างเงี้ยนะบางทีเราทําดีจะถึงดีอยู่แล้วเราก็ท้อไปสัก่อนพ<ม>ระาค่าสตินะกะเ็เลยลองเริ่มต้นกันใหม่บางทีทําดีไม่ถูกดีไม่ถูกกาลาเทศะมันทําดีอยู่แต่ไม่ถูกดีไม่ถูกกาลาเทศะไม่ถูกคนไปทําดีกับคนที่เขาอักติกับเราเนี่ยจะให้เขาชมมาไม่เมียงนะอย่าหวังเพราะคนเขาอักติซะแล้วเงี้ย เราก็ทําดีแล้วรู้ว่าเราทําดีก็จบแล้วแค่นั้นนะมันผูมอกภูมิใจหันมาดูตัวเองนะร่องรอยไปในจิตใจของเราเราสามารถไหว้ตัว เ, เองได้นะโอ้ไม่ต้องให้ใครมาไหว้เพราะฉะนั้นการเจริญสตินะเพื่อให้เราไหว้เรากราบตัวเราเองได้นะไม่ต้องไปสนใจกราบคนอื่นกราบตัวเองให้ได้หันกลับมาโอ้เรามีร่องรอยดีอยู่มีความเป็นพระอยู่จิตใจเป็นปกติอยู่นะกราบเลยตรงนั้นมันไม่ใช่การหลงตัวเอง ได้ว่าการกราบคนอื่นนะกราบยากนะเดี๋ยวเราลองดูนะเราไหว้คนที่เราไม่อยากไหว้แล้วใจมันกึกกักกึกกักกึกกักนะอัตตาตัวตนมันค้าคอเลยก้มหัวไม่ได้หลังแข็งเลยละคอแข็งมือแข็งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พอเรามีสติมีความอ่อนน้อมมันก็เกิดพรขึ้นมาทันทีเลยอายุวันณะสุขภาวะเกิดขึ้นมามันก็ต้องมีสตินะ การจะคิดจะพูดจะทําอะไรก็ตามไม่ต้องพระเจ้ า, าพระพุทรูปเนี่ยนะดูดีๆพระพุทธรูปนี่ก็อยู่เฉยๆแต่คนก็ตําหนี่ทันอย่างเช่นว่ามีช่างติคนหนึ่งอันนี้เป็นวิชามานนะช่างติพวกเรียนวิชามานนะจบโรงเรียนสารพัดชั่วมามจะมีช่างติฉินนินทาช่างใส่ลายไปลายสี ช่างประจบประแจงนะช่างยุแยงตะแคงแย่พวกนี้นะพวกนกสองหัวพวกนี้จบวิชามานมาจากโรงเรียนสารพัด ช, ชั่วครนะนะันี้เรามาทินเราฝึกสติมันเป็นวิชาพระนะไอช่างติเขาก็มาดูช่างปั้นพุทธรูปนะจมูกทำไมมันยาวอย่างนั้นน่ะทำไมหัวแหลมอย่างนั้นน่ะ โู้โหทันมยาวงั้นนะเอามือไปรูปแก้มจับแก้มพุทธรูปเอ๊ะทำไมแก้มไม่เท่ากันน่ยตีเยอะแน่นนะ่ะคราวนี้ช่างพุทธลูกก็เลยตั้งใจที่จะปั้นให้สวยที่สุดไม่ให้ช่างตีคงนี้นมันตีได้ก็เอาพุทธลักษณะทั้งหมดมารวมลงในพุทธรูปรูปนี้ละตั้งใจบรรจงปั้นทุกกระเบียด นิ้วเลยหรือกระเบียดเซนติเมตรก็ว่าได้ไม่ให้มีตําหนิเลยนะพอปั้นเสร็จ ป, รปั๊บเรียกช่างตีมามามามม า, ม า, ม า, ม า, มาดูเนี่ยเรปั้นเสร็จแล้วสวยไหมพอช่างตีมาดูทันนั้นเนะี่ยมันเดินรอบๆหลายรอบเลยนะมันดูซ้ายดูขวาดูล่างดูบนดูแบบพินิษพิเคราะ์ พวกเราเคยเห็นพทุทธรูปที่สวยที่สุดในโลกไหมที่เวลาส่งประกวดที่ไหนชนะเลิศตลอดก็เห็นไหมอยู่ที่ประเทศอินเดียเนิน <c oughs> เป็นปางสอนธรรมแสดงธรรมที่เมืองสารนาถถูกให้พวกอิสลามมันทุบจม ok ูกพังไปเลยพุทธลูปในท่าจม ok ูกหัก ก็ถือว่าหมดอำนาจก็เราสังเกตใครจะโมกดอกมักจ้มีอำนาจพวกฝรั่ลลงพวกอะไรวเนะี่ย <c oughs> เราเกรงใจโหม ก, กันหลายคนก็อยากเสริมจหมกกันอยากมีอำนาจใช่ไหมอิ <c oughs> สานแท้ก็ต้องจหมกแบนนะแต่เดี๋ยวนี้ก็โดงกันแล้วล่ะอ่ะคราวนี้ช่างตีก็มาดูปั๊บเขาวางไงโอ้โหโอ้โหโ โอ้โหตกลงได้ตีไหมช่างตีชื่นชมอย่างมากเลยแต่ท้ายสุดน่เลยโอ้โหสวยมากสวยมากสวยจริงๆแม่แต่เสียอย่างเดียวตีไม่ได้เลยสวยจนตีไม่ได้เลยหันแวร์ตีแม่มติไห ม, ไม หาที่ตีไม่ได้เลยสวยมากๆก็ตีอีกนั่นแหละปั้นสวยจนตีไม่ได้เลย <c oughs> ก็ยังโดนตีอยู่ดี <c oughs> นะเพราะฉะนั้นอย่าหลบอย่าเลียงอย่าเลี่ยงนะเจอแน่ๆโลกใบนี้นะสุขทุกขนะ์แต่ถ้าเรามีการฝึกหัดความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวนไม่ว่าจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะทําอะไรก็ตามมีการเคลื่อนไหวอยู่ในตัวเนะีะจิตของเรามันจะเป็นปกติการนี้พอเราทำมากมาก สติมันก็เต็มรอบขึ้นมาจากสติรู้กายก็เป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมชาติมันจะเห็นทำเห็นกําลังคิดกําลังพูดกําลังทําเห็นเลยนะชัดๆเลยแล้เห็นกายเนี่ยก็เป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งวันมันเคลื่อนไหวนะั่คือทุกข์ทั้งวันเพราะฉะนั้นการที่เราเคลื่อนไหวแล้วเราก็ระลึกรู้เนี่ยคือการกําหนดรู้ทุกข์ทุกข์ขังนัะะ่นแหละการเคลื่อนไหวนะี่ยมันทุกข์ขังเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นพระไตรลักด้วย บางทีจิตของเราก็แสดงพระไตรักขึ้นมาคิดแวบคิดแวบเกิดดับเกิดดับบางทีก็มีอาการนิวรธรรมเกิดขึ้นมาควา ม, มง่วงความเบื่อสารพัดเลยเกิดขึ้นมาอาการของจิตแต่เราก็รู้อยู่แล้วหลักการก็คือพอมารู้สึกตัวปั๊บจิตปกติมันออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นทันทีโอ้ตรงเนี้ยทาให้จานานทีเนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามีเวลาทั้งวันเลยเช้ายันมืดเลยนะเราก็พยายามที่จะเรียนวิชานี้นะวิชากรรมฐาน เพื่อ้เกิดผลก็คือวิปัสนาญาณขึ้นมาเป็นญาณของปัญญาสตนะิมาละลึกเอาปัญญานะล้วงเอาปัญญามาใช้ใช้เสรษจระวงังทำหน้าที่แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอย่างนี้นนะตลาอยู่โรงพยาบาลเป็นแพทยนะ์นั่งอยู่ที่นี่เป็นนักวิทยาธรรมกลับไปบ้านเป็นลูกของพ่อของแม่มีแฟนนะก็เป็นแฟนของแฟนเป็นเพื่อนของเพื่อนนะ เป็นผู้บังคับบชาเป็นใต้บังคับบชาจะเป็นอะไรก็ได้ตามหน้าที่ที่เราสมมุติกันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านี่เงี้ยไปตลาดร้านค้าเราก็เป็นลูกค้าเนีเราไม่ได้เป็นหมอทุกๆ ท, ที่เราไม่ได้เป็นข้าราชการทุกๆ ท, ที่เนีเราเป็นอิสระภาพทํางานหรือว่าแสดงตนใช้กายวาจาใจแต่ละคณะาตามหน้าที่นั้นๆอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการทําหน้าที่ อย่างถูกต้องในทุกๆขณะแห่งวิวัฒนาการมันไม่ใช่ชิบหายไหยนะไม่ใช่วิบัติมันเป็นความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเราเกิดสันติสุขสันติภาพต่อไปอย่างน้นะอ่ะก็เห็นว่าสมควรกีลาเรากราบพระพร้อมกัน